ข้าวประดับเรนก็นคือทําบุญให้เปเตายาญาติทั้งหลายทําบุญฉลากพัดกับเพื่อที่ส่วนกุศลถึงเปเตายาญาติทั้งหลายเพราะในพรรษาพระท่านจำพรรษาไม่ได้ไปที่ไหนพร้อมที่จะอยู่ในถิ่นฐานบ้านของเราเพราะฉะนั้นบ้านของเราก็ให้ความสนับสนุนให้การรบนับถือถวายเจตุ ป, ปัจจัยทตรยทานตามมีตามเกิดในท้องถิ่นนั้นๆ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 ได้รับมรดกจากพ่อแม่ก็ควรจะแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อบุญคุณที่ท่านให้พวกเรามาบุพากาลีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนก็คือพ่อแม่ของเราเมื่อท่านให้บุพากาลีแก่พวกเราแล้วพวกเราก็ควรจะกะตัญญูกตเวทิตาทดแทนบุญคุณของท่านเพราะฉะนั้นจึงมีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลประจําปี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 โอ้โหมันอรเด็ดอร่อยวหนนนะทราบซ่าไปหมดเลยไม่เคยได้กินอย่างนี้มาก่อนเลยทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันเลยถามเนนก็สิบถามเนนนะเนีนเนนเนนอันนี้เป็นน้ำอะไรเนนน้อยก็บอกว่านมโอวันตินครับอคุป า, างคงจะไม่เกินกันมากาเหมือนกันเอโนเนียนเบอกเนี่ยตรงพ่อญาพ่อเัมือนกันนะ นมโอวตินครับย่าพ่อเยอะพ่อก็เลยสงสัยไปเอ้นมนมโอวัลตินน่ะมันเป็นยังไงเพราะคนตาบอดนี่ใช่ไหมล่ะนี่ตาบอดเพราะแต่กําเนิดไม่รู้นมันเป็นยังไงเห็นแต่ว่าเป็นน้ําก็เลยถามย้ำอีกว่าเอ้นมนมโอวัลตินมันเป็นยังไงเนียน้อยวะเนียนวะเนียน้อยก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงพ่อว่าคนตาบอดใช่ไหมเอ้นมนมโอวัตินก็เขาเขาเขาเขาส้วมมวงเขาเขาขุนนน่ะย่าพ่อว่ากัน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 ทีนีพระพุทธเจ้าเขียนแผนที่ละบัดเนียเริ่มเขียนแผนที่เหมือนกับท่านไปเห็นท่านจะไปด้วยวิธีของท่านยังไงยังไงก็ได้างนั้นไปถึงเมืองอเมริกาแล้วพอไปถึงอเมริกาแล้วทนนี้ผู้ที่จะไปอเมริกาเนี่ยไปยังไงทีนี้ก็ท่านก็เขียนแผนที่เลเดินอย่างนั้นไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างนั้น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 ไปคนละทิศละทางเลยว่างั้นเพราะนั้นพวกเราให้เข้าใจนะในหลักธรรมคาสั่งสอนให้ตรวจตราดูตนเองอย่างที่ว่าน่ะคือศีล5้านี่นะศีลห้าถ้าอยู่ในใจของเราแล้วกมีแต่ความสงบสุขนั้นอนะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่สูงอายุขึ้นมาแล้วในะเรื่องศีลควรจะตรวจตราดูให้ชัดเจนถ้าว่าพวกเรามีศีลดีแล้วระลึกถึงเวลาไหนใจสบายนะ